ข้อความในธรรมสูตรนะครับข้อสองเมื่อภิกษุกล่าวว่าผู้นี้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมด้วยการพยากรณ์ด้วยธรรมะอันสมควรใดธรรมะอันสมควรนี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมนางนี้ชื่อว่าย่อมกล่าวธรรมอย่างเดียวย่อมไม่ตรึกถึงวิตกที่ไม่เป็นธรรม ภิกษุเว้นการกล่าวอาธรรมและการตรึกถึงอธรรมทั้งสองนั้นเป็นผู้มีอุเบขามีสติสัมปชัญญะอยู่ครับสูตรนี้ลึกซึ้งนะภิกษุมีธรรมะเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมะค้นคว้าธรรมะอยู่และลึกถึงธรรมะอยู่เนืองๆย่อมไม่เสื่อมจากพระสัจธรรม พิกษุเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีให้จิตของตนสงบอยู่ณภายในย่อมถึงความสงบอันแน่แท้นะครับนี่ก็เป็นข้อความในธรรมสูตรนะครับส่วนอัตถกาถาคําว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏตนะิธรรมะสับแรกนะั้นะเป็นชื่อของโลกุตระธรรม9อย่างนะครับนะให้แยกนะธรรมะบวกอนุธรรมะ ปฏิปตินะครับธรรมะที่สมควรแก่ธทมนั้นนะครับคือธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นมีสีลวิสุทธิเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นคือกําลังปฏิบัติเพื่อบรรลุโลกุตระธรรมนั้นนะครับถ้าหากว่าเอาธรรมะคือโลกุตระธรรมมาตั้งก็คือเอามรรคผลและนิพพานเนี่ยมาตั้งนะครับแล้วท่านบอกว่า ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่สมควรกับโลกุตระธรรมก็นับตั้งแต่ศีลวิสุทธินะครับจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามคะายาณทัทสนวิสุทธิแล้วก็ปฏิปทายาณทัทสนวิสุทธิเพราะานั้นญณทัสนวิสุทธิเป็นโลกุตระธรรมก็จะเกิดขึ้นนะครับผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามวิสุทธิจะทั้ง7จจนโลกุตระธรรมเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่า ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบทว่าอายะมนุธรรมโมโหติความว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะที่มีสภาพสมควรคือมีสภาพเหมาะสมบทว่าเวยากรณายะได้แก่ด้วยกระถาสําหรับพูดกันนะครับบทว่ายังในคําว่าธรร ม, มานุธรรมะปฏิปันโนยัง เป็นปฐมวิพัตน์ใช้ในอัตตยาวิพัตน์มีคําอธิบายว่าภิกษุเมื่อพยากรณ์อยู่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมนั้นควรชื่อว่าพยากรณ์อยู่โดยชอบทีเดียวด้วยธรรมะอันสมควรใดเธอไม่ถูกวินยูชนตนําหนิเพราะข้อนั้นเป็นเหตุนะครับคือปฏิบัตินะกล่าวว่าตัวเองนี้ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่โลกุตระธรรมเพราะว่ามีการปฏิบัติโดยลําดับตามนั้นจริงๆก็ไม่มีใครควรตําหนินะครับ อีกอย่างหนึ่งบทว่ายังเป็นกิรยาปรามาศะด้วยบทว่ายังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงการกล่าวธรรมะนั้นแหละและการตรึกถึงธรรมะวิตกด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นเหตุสมควรคือเป็นเหตุเหมาะสมแก่กะถาสำหรับพูดกันว่าธรรมะนี้เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมะนี้สมควรอย่างนั้นดังนี้ด้วยอุเบกขาที่สัมปยุต ด, ด้วยยาน ในเมื่อไม่มีกิจทั้งสองอย่างนั้นนะครับคือโลกุตรธรรมนี้ก็ต้องเหมาะสมแก่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําอยู่อยู่แล้วนะครับอย่างที่เคยได้ยินว่านะนะทำอันเลิศเนี่ยนะครับจะบรรลุถึงด้วยทําอันเลวเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครั บ, นะรบหรือว่าทำอันเลิศจะเข้าถึงหรือจะบรรลุเพราะข้อปฏิบัติอันเลวก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องคู่ควรกัน บทว่าพาสมโนธรรมังเยวพาสยะความว่าถ้าหากพิกษุพูดอยู่ก็ชื่อว่าพูดธรรมะคือกถาวัตถุสิบอย่างนั่นเองไม่ใช่พูดอธรรมอันมีความมักมากเป็นต้นที่ตรงกันข้ามกับกถาวัตถุสิบอย่างนั้นสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ากถาอันเป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายในการเปิดจิตนี้ใด ย่อมเป็นไปเพื่อนิพพิทาโดยส่วนเดียวเพื่อสำรอกเพื่อดับกิเลสเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนะครับถามว่าคาถาเหล่านั้นคืออปิจกักขาคาถาว่าด้วยการมักน้อยสันตุทิกาาถาคาถาว่าด้วยการสันโดษปวิเวกะกะกาถาคาถาว่าด้วยกล่าวถึงวิเวกอสัคขคาถาคาถาว่าด้วยการไม่คุกคลีนะครับวิ ร, ยริยรมภาถา คาาที่กล่าวด้วยการปรารบความเพียรแล้วก็ศีลคถากล่าวถึงศีลสมาธิคถากล่าวถึงสมาธิปัญญาคถากล่าวถึงปัญญาวิมุตต er. ิกถาก็คือกล่าวถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศน์กถาก็คือคถาที่กล่าวถึงวิมุตติญาณทัศน์นะครับอภิจักขานั้นคถากล่าวด้วยความมักน้อยเนี่ยนะครับก็คือมักน้อยในหนึ่งมักน้อยในปริยัตนะครับมักน้อยใน Icana, ทุดงแล zat, e, ้วก็มักน้อยในอธิคมนะครับคือตัวเองนี่มีความรู้ในด้านพระปริยัติดีก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้นะครับและนี่เรียกว่ามักน้อยในปริยัตถ้ามักน้อยในทุดงก็หมายความว่าตัวเองสมาทานทุดงก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ถ้าหากว่ามักน้อยในอธิคมก็คือบรรลุมักผลใดก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ บางคนพอไปฟังคําว่ามักน้อยในปริยัติก็เลยไม่เรียนเลยนะครับก็รักษาความเข่าเอาไว้ได้ว่ามักน้อยในปริยัติไม่ใช่นะครับหมายถึงว่ามีความรู้เป็นอย่างดีก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้นะครับว่าตัวเองรู้อะไรนะครับก็งําประกายไว้นะครับลักษณะนี้เรียกว่ามักน้อยคําผู้ที่ประลบเพื่อความมักน้อยเป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกว่าอัปภิจักขถาแต่ถ้าหาว่ามีคุณธรรมเหล่านั้นแล้วเที่ยวโอ้อวดเพื่อลาบสาการะเป็นต้นนะครับก็เรียกว่าคนมกักมาก นะครับเรียกว่ามากๆนะครัะคู่ที่มากมกเนี่ยนะครับถมไม่เต็มนะครับต่อไปนะสันตุติกะถาก็คือกะถาว่าด้วยความสันโดษนะครับสันโดษมี3ามอย่างนะครับสันโดษเรียกอย่างแรกเรียกว่ายะถาลาภาสันโดษสันโดษตามได้ยะถาพลาสันโดษสันโดษตามกําลังแล้วก็ยะถาสารูปะสันโดษนะครับก็คือสันโดษตามสมควรนะครับ ทีนี้สันโดษสาประการเนี่ยในปัจจัย4ี่คือในจีวรนะครับในบิณฑบาตในเสนาสนะและก็ในคีลานเพสัตก็เลย3าคูณสเท่ากับสันโดษ12บสอปวิเวกกะกถานะครับกะถาด้วยวิเวกนะครับอวิเวกนี่มี2องนายนะครับนายที่1ก็คือกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธทวิเวกอีกนายหนึ่งก็คือตทางค้าวิเวกวิขำพนาวิเวกสมุเฉทาวิเวก ปฏิปัสษ์ที่วิเวกแล้วก็นิสรณวิเวกนะครับก็กล่าวถึงวิเวกทั้งหลายเหล่านี้เรียก ว, ว, ว, วิเวกกถาหรือว่าอาสังสาคข้ากถาว่าด้วยการไม่คลุกคลีนะครับไม่คลุกคลีด้วยการเห็นไม่คลุกคลีด้วยการฟังไม่คลุกคลีด้วยการใช้สอยเข้าของร่วมกันไม่คลุกคลีด้วยการจัดต้องกันนะครับลักษณะเทวาการอสังสารนะนี่ก็พูดถึงความไม่คลุกคลีโดยประการต่างๆ วิริยารำพักถาก็คือคาถาที่เป็นไปเพื่อปรารบความเพียร น, นะครับส่งเสริมวิริยินทร์ศีลนะเช่นคถาที่ปรารบถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์นี้บรรลุธรรมด้วยความเพียรเป็นต้นเนี่ยนะครับนี่ก็จะทําให้ก่อให้เกิดความเพียรได้หรือศีลคาถานะครับก็คือเอาพระวินัยปิฎกมาสนทนากันทั้งหมดนะครับหรือว่าสมาธิคาถาก็คือสมถะหรือว่าพระสุตตันตปิฎกมาสนทนากันถ้าปัญญากถาก็คือเอา พระที่ทำปิฎกหรือวิปัสนาทั้งหลายมาสนทนากันนะครับวิมุตติกถาก็คือกล่าวถึงอริยมรรคทั้งหลายนะครับสนทนาว่าด้วยอริยมรรคนะครับสหัสสนนะครับสามารถสนทนากันได้ไม่มีสิ้นสุดหรือว่าวิมุตติยาณทัศนกถานะครับวิมุตติยา น, นัศนกถานั้นก็คือกล่าวถึงพวกปัจจเวคขณะยานทั้งหลายนะครับปัจเวคขณะยานสิ เพราะว่าปัจจเวขนณายางเหล่านั้นพิจารณาถึงมรที่ได้ผลที่บรรลุนะครับพิจารณาถึงกิเลส ท, ที่ละแล้วพิจารณาถึงกิเลส ท, ที่ยังเหลืออยู่แล้วก็พิจารณานิพพานนะครับพิสุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งคาถาเห็นปานนั้นเพราะเป็นผู้มีปกติได้คาถาที่มีความขัดเกลวเท่านั้นจึงควรกล่าวธรรมะนั้นนะถามว่าใครครับเป็นผู้สมควรกล่าว โลกุตระธรรมหรือสมควรกล่าวธรรมะที่สมควรแก่ทำเนี่ยนะครับกล่าวการปฏิบัติธรรมที่สมควรแกร่ทกํ า, ก, ารรท ก, ทก็คือคนที่ได้กระถาวัตถุทั้ง10ประการนี่นะครับกระถาวัตถุทั้ง10ประการเนี่ยเป็นกถาที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสที่เป็นไปเพื่อการเปิดเปิดจิตนะครับเป็นไปเพื่อเบือห น, น่ายนะนนะเพื่อสํารอกราคะ <Mult> um! เพื่อดับกิเลส <Pause. S 1> เพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเนี่ยนะครับด้วย คำว่าพาสมานโอธัรมเยวะพาสยะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงการถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตรคือสรุปแล้วนะครับถ้าหากว่าผู้ที่จะปฏิบัติอย่างนี้ก็ควรหากัลยาณมิตรแบบนี้นะครับถ้าหากว่าประสงค์จะปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามในพระศาสนานะจะต้องหาผู้ที่มีความสามารถปฏิบัติตามคถาวัตถุสิบแล้วก็สา ม, มารถกล่าว กระถาวัตถุ10บด้วยนะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถหาได้ก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในการปฏิบัตินะครับเว้นไว้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับศึกษากระถาวัตถุสิบอย่างช่ําชองนะครับก็คือทําตัวเองให้เป็นกาลยานมิตรของคนอื่นเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจะปฏิบัติตัวโดยลําพังตัวเองแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ขวนขวายศึกษากระถาวัตถุทั้งสิประการให้มั่นคงจริงๆก็ยากที่จะเจริญได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดรเรื่อง มากน้อยกับสันโดษเนี่ยนะครับเท่ากับศีลทั้งหมดนะครับนั้นศีลทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้ก็อาศัยปวิเวกอาศัยการไม่ ค, คลุกคลีอาศัยการปรารบความเพียรแต่ว่าศีลและคาถาสมาธิกถาปัญญากถาก็คือเท่ากับแตกฉานพระไตรปิดกทั้งหลายนั่นเองนะครับนั่นคถาวัตถุสิบนั้นก็หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วพระองค์นั้นแนะนําสาวกให้ติดตามพระองค์เพื่อฟังกถาวัตถุสิบนะครับไม่ใช่ให้ติดตามฟังเพื่อแตกฉัน ในคมภีร์แต่ให้ฟังเพื่อแตกฉานในคาถาวัตถุสิบเพราะว่าคาถาวัตถุ1สิบเ น, เน้นเอาการไปประพฤติปฏิบัตินะครับไม่เน้นเอาไปอย่างอื่นแต่ถ้าหากว่าฟังเป็นพระไตรปิฎกไม่แน่อาจจะอาศัยพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับไปหาลาภสาการะก็ได้แต่ถ้าตั้งจิตไว้ดีก็จะเป็นการฟังพระไตรปิฎกเพื่อน้อมเอาไปปฏิบัตินะครับบทว่าธรรมวิตรักกลงความว่าเมื่อที่สุวิตกถึงเนคธรมมวิตกเป็นต้น ที่ไม่ปราดไปจากธรรมะอยู่อุตสาหะจากเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะถ้าตรึกไปในธรรมเรื่อยๆนะเนคขมวิตกเป็นไปกับคําสอนมากๆเนี่ยนะความเพียรพยายามจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเอานะถ้าตรึกธรรมะถูกนะครับจะเพียรขึ้นเพียรขึ้นถ้าตรึกเผิดจะค่อยๆลดนะครับเอานะ เพราะอะไรครับถ้าตรึกผิดเออทำไปทำมาไม่ดีมั้งงั้นนี่ก็เลยท้อแท้ไปเลยแต่ถ้าธรรมะนะถ้าตรึกถูกนะครับพิจารณาถูกเนี่ยจะอุตสาหะมากขึ้นมากขึ้นด้วยคิดว่าเราจะบาเพ็ญปฏิปทามีศีลเป็นต้นให้บริบูรณ์นะครับนะเห็นมันเห็นความสมเหตุสมผลสอดคล้องกันนะครับความ ที่ธรรมะเนี่ยส ม, สมเหตุสมผลสอดคล้องกันหมดหน้าปฏิบัติจริงๆก็เลยอยากประพฤติปฏิบัตินะครับเพราะมันเข้าใจอันนี้สงหมดเลยนะครับเห็นคุณหวังเงนแต่เห็นคุณนะนะแต่วิตกนั้นเพิ่งทราบว่ามีมากประเภทเพราะเป็นไปด้วยสา ม, มารถแห่งการเว้นธรรมะที่เป็นอุปการะนะครับแต่คนที่จะเจริญกุศลวิตกเหล่านี้ได้จะต้องหลีกเลี่ยงอาคุศลวิตกนะครับแล้วก็เพิ่มพูนธรรมะที่อุปการะแก่ศีลเป็นต้น ด้วยสามารถแห่งการนำความที่ธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมออกไปเช่นถ้าจะรักษาศีลเนี่ยนะจะให้อุปการะแก่ศีลก็ต้องห ล, ล, ลีกเลี่ยงคนทุศีลเป็นต้นนะครับอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุให้ศีลเสื่อมไปแ ต, แต่ไม่ตั้งแม้อยู่ในความเป็นธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความมั่นคงหมายความว่าแม้แต่ว่าทิติภาขยะก็ไม่ตั้งอยู่นะครับบอกว่าเออก็ไม่ ไม่ยินดีคุณเพียงแค่ศีลเป็นต้นนะครับบอกเว่าพอแล้วศีลดีเนี่ยนะอยู่ในบาติมลรักษาดีก็พอแล้วก็อย่าเป็นอย่างนั้นนะครับยังความเป็นธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งคุณพิเศษนะครับคือพือพ่อภูมจากศีลเพื่อสมา ธ, สมา ธ, สมาธิสมาธิก็เพื่อปยาญาทัศนะเป็นต้นนะครับคือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความเบอ่อหน่ายให้ถึงพร้อมนะครับ เพื่อชำระ ก, กิเลสนะ น, นะส่งเสริมการเจริญกุศลและทำทั้งหลายเหล่านั้นอะ่ะเพื่ออนุปัสนาทั้งหลายบทว่าโนอธรรมวิตกังมีความว่าไม่พึงตรึกกามวิตกนะครับอย่าไปคิดนะอะไรที่มันเป็นอกุศลวิตตกนะครับใช้คำว่าโ no นเลยนะโนมานะโนยามายนะโน no ไม่นะเหมือนกันเหมือนอังกฤษเลยนะ บอกว่าตทุพยังวาปะณะความว่าภิกษุเว้นการพูดธรรมะเพื่ออนุเคราะห์ชนเหล่าอื่นและการตรึกธรรมะเพื่ออนุเคราะห์ตนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งเว้นขาดคือไม่ปฏิบัติได้แก่ไม่ทําทั้งสองอย่างนั้นบทว่าอุเปคาโกเป็นกลางในข้อปฏิบัติอย่างนั้นเพิ่มพูนเฉพาะสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอยู่เท่านั้นนะครับนะ คือบางองค์ก็เว้นนะครับพูดก็ไม่พูดนะครับนะแล้วก็ไม่พูดอธรรมด้วยเว้นจากการตรึกถึงอธรรมทั้งสองอย่างแล้วก็ให้มีจิตเป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้วางเฉยแม้ในการปฏิบัติสมถะกระทําวิปัสสนากรรมฐานอยู่อย่างเดียวคือยังวิปัสสนาให้ก้าวสูงขึ้นนะครับนี่ในหนึ่งนะ วางเฉยแม้วิปัสสนานั้นด้วยสา ม, มารถแห่งสังขารูปเปขายานพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะโดยที่วิปัสสนานั้นจะเป็นยานแก่กล้าเข้มแข็งผ่องใสไหลไปจนกว่าวิปัสนาญาณจะถูกสืบต่อด้วยมรรคนะครับคือเขาพยายามเพื่อโลภุตระธรรมนะครับเพื่ออริยมรรคจริงๆเพราะว่าอุปนิสัยแห่งอริยมรรคทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับอาศัยคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีนี้โอกาสหรือบุญทั้งหลายแล่เนี่ยที่จะเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะครับจะพบแนวคําสอนแบบนี้จะมีได้อีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นในสมัยพุทธกาลท่านจึงภาคเพียรพยายามเนี่ยจริงๆนะครับแล้วคมก็ตัดเป็นคาถาว่าภิกษุมีธรรมะเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมคนคว้าธรรมะอยู่ระลึกถึงธรรมอยู่เนือง ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัตยธรรมนะครับถ้าหากว่าเป็นไปกระทําตลอดจะไม่เสื่อมนะครับพิกษุเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งหรือนอนอยู่ก็ดีให้จิตของตนสงบอยู่ณภายในย่อมถึงความสงบอันแท้จริงนะครับไอ้สงบในที่นี้ไม่ใช่นิ่งเฉยเฉยไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่ได้ทำจิตให้มันนิ่งนิ่งเป็นอุเบกขาทําตัวเฉยเฉยอันนี้ไม่ใช่นะครับไอ้คำว่าสงบในที่นี้นะครับอธิบายว่าพิกษุ เชื่อว่าผู้มีธรรมะเป็นที่มายินดีเพราะมีธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาเป็นที่มายินดีด้วยอัตว่าควรยินดีนะครับยินดีในสมถะและวิปัสสนานะครับชื่อว่าผู้ยินดีแล้วในธรรมเพราะยินดีแล้วในธรรมะนั่นเองคือยินดีในสมถะและวิปัสสนานี่นะครับเชื่อว่าค้นคว้าธรรมเพราะวิจัยธรรมะนั่นแหละบ่อยๆคือระลึกถึงธรรมะนั้นอธิบายว่าทำไว้ในใจ คนควาวิจัยเลือกสรรทำไว้ในใจคิดบ่อยๆนี่นะครับบทว่าอนุสรังความว่าระลึกถึงธรรมะนั่นแหละเนืองๆด้วยสามารถแห่งภาวนาที่สูงขึ้นไปนะครับใครที่บอกว่าไม่ให้ตรึกไม่ให้อะไรนี่นะครับโหถ้าเจอข้อความตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับพรนี้ท่านบอกไงครับให้ยินดีให้คนควาวิจัยเอามาระลึกมาตึก นะครับมาเรียกว่าอนุสรังเลยนะครับระลึกถึงธรรมะนั่นแหละเนืองๆแล้วก็มุ่งภาวนาให้มันสูงยิ่งๆขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าผู้มีธรรมะเป็นที่มายินดีเพราะมีธรรมะมีศีลเป็นต้นเป็นที่มายินดีด้วยอัตถะว่าต้องยินดีด้วยสามารถแห่งการดํารงอยู่ในศีลที่เป็นบ่อแห่งวิมุตต์แล้วแสดงแก่ผู้อื่นนะครับหมายความว่าให้ดํารงมั่นอยู่ในศีลนะครับศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งวิมุตต์ใช่ไหมครับ เพราะว่าเป็นอุปนิสัยเป็นฐานรองรับแห่งมีมุติชั้นสูงๆต่อไปนะครับแล้วก็เอามาสามารถแสดงให้คนอื่นด้วยเชื่อว่ายินดีแล้วในธรรมะเพราะยินดีแล้วคือยังจิตนะครับคือยินดียิ่งแล้วในธรรมะนั้นๆอย่างนั้นนั่นแหละนะครับคือว่าโอ้โหไม่มีอะไรน่ายินดีเท่านี้อีกแล้วนะก็ทําตัวยินดีในสิ่งเหล่านี้นะครับภิกษุเมื่อสแสวงหาการดําเนินแห่งธรรมะทั้งหลาย มีศีลเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเองชื่อว่าค้นคว้าธทมอยู่เพราะคิดค้นธรรมะมีเนคธรรมะสังกับปะเป็นต้นโดยไม่ให้โอกาสแก่กามวิตกเป็นต้นเลยนะครับไม่ปล่อยให้อกุศลวิตกเป็นต้นนะครอบงำให้จิตเนี่ยเป็นไปกับกุศลธร ร, รมอยู่ตลอดอีกอย่างหนึ่งพี่สุเมื่อเผาวิตกทั้งสองคือกามวิตกพยาบาทวิตก นะครับโดยเป็นวิตกอย่างหยาบแล้ววางเฉยระลึกถึงเนืองเนืองซึ่งธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานั่นเองด้วยสามารถแห่งภาวนาที่สูงสูงขึ้นไปคือให้เป็นไปด้วยสามารถแห่งการเพิ่มพูนจ้าครับมันเขยนะบทว่าสัตธรรมมาความว่าไม่เสื่อมจากโพธิปัจจิยธรรมที่แยกประเภทออกไปเป็น37ประการนะครับคือถ้าหากว่าผู้ที่ยินดีในธรรมใช่หครับ มีทําเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมค้นคว้าธรรมอยู่ระลึกธรรมอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากโพธิปัจจัยธรรมนะครับจะไม่เสื่อมจากโพธิปัจจัยธรรม น, นะแยกเป็น37ประการได้แก่สติปัญฐาน4เป็นต้นนั่นเองและก็จะไม่เสื่อมจากโลกุตระธรรม9อธิบายว่าไม่นานก็จะได้บรรลุโลกุตระธรรมนั้นนะเพราะว่าตัวเองไม่เสื่อมใช่ไหมครับบัด น, นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะแสดงวิธีแห่งการระลึกถึงธรรม แค่ไหนจึงจะเรียกว่าระลึกถึงธรรมครับนะครับแค่ไหนครับบอกว่าเดินยืนนั่งนอนก็ทําจิตให้สงบเนี่ยนะครับลักษณะนี้แหละครับวิธีการระลึกที่ถูกต้องนะจึงตรัสคําเมียที่ว่าจรังวาดังนี้บทว่าจรังวาความว่าเดินไปด้วยสามารถแห่งการเที่ยวพี่ขาจางหรือด้วยสามารถแห่งการจงกรมหรือว่ายะิวาติดถังเดินอยู่ก็ดีนั่งแล้วก็ดีบทว่าอุทวาสยัง ความว่านอนอยู่ก็ดีดํารงอยู่ในอิริยาบถแม้ทั้ง4อย่างนั้นบทว่าอัจฉตัยสมยอย่างจิตตังในจิตของตนสงบคือระ ง, งับอยู่ภายในอารมณ์กล่าวคือกรรมฐานตามที่กล่าวแล้วคือหมายความว่าให้จิตเนี่ยเป็นไปกับธรรมะตลอดนะครับด้วยสา ม, มารถแห่งการระ ง, งับด้วยสา ม, มารถแห่งการระ ง, งับกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นบทว่าสันติเมวาทิคัตชติความว่าถึงความสงบโดยส่วนเดียวคือพระนิพพาน ถ้าทำจิตของของตนให้สงบเป็นไปกับสมถาวิปัสนาหรือข้อปฏิบัติอย่างที่กล่าวแล้วนะครับไม่นานนักก็จะถึงความสงบอันแท้จริงคือพระนิพพานนะครับ น, นี้ก็สูตรนี้ก็มีเนื้อหาคู่ควรแก่ไปเจริญเหมือนกันนะครับในธรรมสูตรที่7นะครับ